อนาปฏิวาลภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ329 1้ิกษสูดื่มยาดองที่มีสีกลิ่นรสเหมือนน้ำเมาแต่ไม่ใช่น้ำเมา2องพิษสูดื่มน้ำเมาเจือในแกง3ามพิษสูดื่มน้ำเมาเจือในเนื้อ4ี่พิษสูดื่มน้ำเมาเจือในน้ำมัน5้าพิษสูดื่มน้ำเมาเจือน้ำอ้อยดองมะขามป้อม6กพิกษสูดื่มยาดองอริฐะซึ่งไม่ใช่น้ำเมา เจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัติสุราปานสิกขาบทที่หนึ่งจบ